พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดธรรมกองเพลนจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องศีล เขาทำกันจริงๆ จ, จังจังเขาสนใจอยู่ปานนั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่มาเอากันทางภาวนายากจริงพวกนี้เขาทำกันหลายคนสนใจแท้แท้เรื่องทาบุญรักษาศีลให้ทานก็เข้าใจหมดแล้วเรื่องภาวนามันสำคัญอบรมบ่มอินทรีย์อบรมการนี่แหละ อารมณ์ใจของตนนี้แหละมันยากอยู่ครั้นอบรมได้แล้วไม่มีความเดือดร้อนใจเยือกเย็นใจสบายไม่มีความวันวหวอวิชาคือใจใจดวงเดียวนั่นเรียกว่าอาวิชาคือมันไม่รู้ต่อสิ่งทั้งปวงไม่รู้ในกองสังขารแล้วหลงยึดชอบเข้าก็หลงยึด ไม่ชอบก็ยึดเข้ามาเผาตนมันไม่รู้มันจึงหวั่นไหวพวกเราพากาันฝึกหัดใจของตนให้ดีพระพุทธเจ้าว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจถึงพร้อมมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดครั้นทรมานใจดีแล้วฝึกฝนดีแล้วอบรมดีแล้ว มีใจประเสริฐสุดถ้าไม่ทรมานไม่ฝึกฝนอบรมอันนี้มันก็ทำพิษเผาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมันเป็นเพราะใจนี่แหละใจไม่ดีใจไม่รู้เท่าใจโง่มณัสสาเจปทุตเถนะใจอันมีโทษปทุสร้ายมันอยู่แล้วเพราะหลากคะ โทสะโมหะปทุสรายอยู่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขสบายมีแต่ความเดือดร้อนเผาผานท่านเปรียบไว้เหมือนโคนที่เข็นภาระอันหนักไปอยู่ใจไม่ดีแล้วผู้ไม่ฝึกฝนอบรมใจของตนแล้วทำไปตามความพอใจความชอบใจใจเศร้าหมองไม่มีความสุข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 จิตผ่องใสแล้วแม้จะพูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามไปที่ไหนก็ตามความสุขย่อมติดตามไปอยู่ทุกเอิรียบทยืนเดินนั่งนอนพวกเราทําความฝึกฝนจิตใจของตนให้เอาสติประจำใจจะพูดก็ให้มีสติจะทาก็ให้มีสติจะคิดก็ให้มีสติ ควบคุมใจของตนอย่าไปปล่อยสติครั้นไม่ปล่อยสติแล้วนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้นั่งอยู่ใกล้ความสุขใกล้ทางที่สุดทางที่เราจะเดินไปหน้าละใกล้ๆเข้าพวกเราเหมือนกันกันกบเดินทางไกลไม่รู้ว่าจะเดินมาจากไหนนับวันนับคืนนับปีนับเดือนไม่ท่วน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 ประพฤติไปทางอื่นไปทางโลกเสียทางธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เอาใจใส่ไม่มีความสนใจไม่พอใจที่จริงถึงเราไม่อยากไปพระนิพพานก็ตามแต่ก็ควรปฏิบัติไว้ควรอบรมจิตใจของตนให้มันเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยต่อพระนิพพานอบรมไว้บางทีไปชาติหน้า ชาติใหม่เราเกิดความเบื่อนายอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะกลับมาปฏิบัติมันจะได้บรรลุคุณวิเศษโดยเร็วไม่เฉื่อยช้าไปพวกเราได้คบกับนักปราชญ์อาจารย์บ่อยๆสนใจบ่อยๆทำไปทำไปก็จะเป็นไปวันหนึ่งนั่นแหละจะได้รับผลอยู่นั่นแหละทำแล้วจะไม่เปล่าประโยชน์ดอก ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพวกคุณหมอทั้งหลายได้ศึกษาวิชาศิลปศาสตร์มาแล้วก็ได้มาแล้วรู้อย่างนั้นอย่างนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ได้ผลเมื่อทาลงก็ได้รับผลมีผลตอบแทนอยู่อย่างนั้นแหละผลตอบแทนคือลาบยศเพราะเรามีวิชาศิลปศาสตร์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 ถ้าทำชั่วลงไปแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนขึ้นกับตัวกับบ่อนนั่นแหละคนทั้งหลายเขาสงสัยว่าบาปไม่มีบุญไม่มีมันไม่พิจารณาให้เห็นว่าทำแล้วก็ได้รับเหมือนกันในเรื่องนั้ น, นันแหละพอทำเข้าแล้วก็เดือดร้อนแหละวิ่งเข้าป่าเข้าดงไปอยู่ตามถ้าตามเหว ไม่มีที่ไหนมันจะผลดอกความชั่วนี้พวกเราเป็นผู้ทําความดีความชอบอาชีพของเราเป็นไปเพื่อเป็นศีลเป็นธรรมไม่เบียดเบียนใครแล้วเราก็ได้รับความพอใจความชอบใจดีใจเห็นใจอยู่อย่างนั้นแล้วที่จะว่าไม่เป็นบุญเป็นบาปยังไง มันเป็นอยู่อย่างนั้นนี่เป็นกับที่นั้นแหละผู้ให้ทานก็ได้รับความดีใจกันที่นั่นแหละผู้มีศีลก็ได้รับความดีใจศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลพระปาติโมกของพวกพระคารวาศีลห้าศีลแปดเราก็ศึกษาให้มันดี ศึกษาให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่ยากเรื่องงดเว้นทุกสิ่งทุกอย่างนะพวกเราก็รู้แล้วเรื่องจะไม่ต้องสมาทานเอากับพระภิกษุสามเณรก็ตามรู้แล้วเจตนางดเว้นเอาเรียกว่าวิรัตเจตนางดเว้นเอาเข้าใจแล้วไม่ต้องสมาทานก็ได้ เอาเจตนานี่แหละเราจะไม่ทาสมมุติว่าศีลห้าบาปห้าอย่างกรรมห้าอย่างนี้เราจะไม่ทาต่อไปเด็ดขาดนี่ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอยู่พวกเราสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วควรรักษาให้มันดีเรื่องกรรมห้าอย่างนั่นแหละคันเว้นวิรัตให้มันขาดลงไปแล้ว ได้ชื่อว่าเป็นผู้หมดกรรมหมดเวรหมดภัยให้มันขาดห้าอย่างเบื้องต้นนี่แหละพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่ศีล น, นะบาปนะเวรนะครันเว้นห้าอย่างนี้เป็นสุจริต ธ, ธรรมผู้หญิงผู้ชายก็ตามผู้น้อยผู้หนุ่มก็ตามผู้แก่ผู้เฒ่าก็ตาม เป็นสมบัติของมนุษย์ปานาติปาตาปฏิวิรโต โ, โหหิให้มีเจตนางดเวน้นอธินาธานาปฏิวิรโต โ, โหหิเจตนาวิรัตงดเวน้นมีสติประจำใจกาเมสุมิชาจาราปฏิวิราโต โ, โหหิให้เจตนางดเวน้น มุสาวาธาปฏิวิรโตโหหิความไม่จริงจะไม่พูดพูดมีสัจจะมีศีลคําที่ไม่จริงจะไม่พูดต่อไปมีจึงพูดไม่มีไม่พูดสุราเมรยามัชฌปมาทฐานาปฏิวิรโตโหหินี่แหละห้าอย่างนี่แหละ งดเว้นห้าอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้หมดกรรมหมดเว้นนี่เป็นเขาเป็นมูลของศีลทั้งหลายมันจะตั้งอยู่ได้ศีลแปดนั้นขั้นเรารักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยอะไรดอกเป็นแต่เศร้ามองสามข้อเบื้องปานนั่นแหละเป็นศีลสูงขึ้นไป รักษาไม่ได้มันก็พาเศร้าหมองเท่านั้นสี่ห้าข้อเบื้องต้นนั่นแหละสำคัญเว้นให้มันเด็ดขาดดรว่ยไปท่านจึงเปรียบไว้เหมือนต้นไม้ครั้นไปตัดกิ่งก้านสาขามันออกแล้วไม่ตายมันต้องเป็นขึ้นอีกแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นอีกแต่ถ้าตัดรากแก้วมันหมดแล้วมันตาย ไม่มีอะไรจะงอกขึ้นอีกต่อไปเขามูลมันคือศีลห้าอัตามาจะพูดให้ฟังพูดซื่อๆนี่แหละศีลนี้มีตัวเดียวเท่านั้นแหละมีใจดวงเดียวเท่านั้นไม่มีอื่นอีกหมู่นั้นมันเป็นอาการมันถ้าเราไม่ฆ่าไม่ลักไม่มายาสาไถ่กับใครนอกจากเมียของตน ซึ่งอยู่ในปกครองของตนพูดแต่ความจริงไม่ดื่มจุรายาเมานี่แหละห้าอย่างนี้มีแต่บาปทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาเป็นตัวศีลเจตนาก็าใจเท่านั้นแหละเจตนางดเว้นมีใจอันเดียวเท่านั้นแหละและให้มีสติควบคุม ระหวังจิตมันคิดจะทำอะไรก็ดีคิดจะพูดอะไรไม่เป็นศีลเป็นธรรมก็มีสติยับยัง้งรู้สึกตนสติคือความระลึกสมปะชัญยะความระลึกว่าผิดหรือถูกมันต้องตัดศีลสมปะชัญญะเป็นผู้ตัดศีลพวกเราให้หัดทําสติให้แม่นยำให้สำเนียกแล้ว จะทำอะไรก็ถูกต้องพูดถูกต้องคิดถูกต้องมันก็เป็นศีลแล้วเพียงศีลห้ามันก็ดีอยู่ศีลแปดเป็นบางครั้งบางคราวก็ได้อยู่ครั้นรักษาศีลให้ดีเป็นบริสุทธิ์แล้วได้อยู่ราชาก็ได้อยู่จั ก, กรพรรดิก็ได้อยู่มหาเศรษฐีก็ได้อยู่ไม่ต้องสงสยัย พระพุทธเจ้าพูดความจริงผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญต่อหน้าประชุมชนผู้มีศีลอย่อมมีความสุขท่านบอกไว้นะเมื่อรับศีลด้วยปากแล้วท่านว่าสีเลนะสุขติงยันติกุลระบุตรผู้รักษาศีลถึงพร้อมด้วยศีลบริบูรณ์แล้วย่อมมีความสุข แม้จะเข้าไปคบหาสมาคมกับบริษัทใดๆก็ตามบริษัทกษัตริย์ก็ตามบริษัทข้าหะบดีก็ตามบริษัทสมณพร า, ามก็ตามเป็นผู้องอาจกล้าหาญไม่มีความขั้นคล้มต่อผู้คนเพราะคิดว่าเราบริสุทธิ์ดีแล้วถึงไม่มีความรู้ก็ตามไม่คิดกลัวว่าคนอื่น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 มันยังเข้าไปถึงกันเหมือนอย่างกับไฟฟ้าไปถึงจิตถึงใจกันแล้วแล้วจิตของเรามันก็เย็นแล้วมันก็ไม่กลัวถ้ามันเห็นพวกคฤรหัสพวกที่เขาจะฆ่ามันแล้วมันไม่รอวิ่งเข้าป่ากเข้าดงไปเลยนี่แหละไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขสินนำความสุขมาให้ตราบเท่าชลา ศีลนำความสุขมาให้ตลอดชีวิตศีลนำความสุขไปให้ตลอดและมีสุขคติเป็นที่ไปสีเลนโภคสัมปทาเป็นผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนก็เพราะเป็นผู้ที่รักษาศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์นี้แลเป็นกรรมดีแท้ให้คิดดู ถ้าบุญไม่มีแล้วบาปไม่มีแล้วมันเป็นเพราะกรรมดีกรรมชั่วพระพุทธเจ้าว่าคนเกิดมาสัตว์เกิดมาในโลกนี้พงเพียงกันไม่มีสูงมีต่ำมีดำมีขาวถ้าขาวก็ขาวอย่างเดียวกันจะมั่งคั่งก็มั่งคั่งอย่างเดียวกันจะจนก็จนอย่างเดียวกัน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 ไม่เหมือนกันเพราะความประพฤตินั่นหรอกถ้าประพฤติดีมีการรักษาศีลให้ทานมีการสะดับตรับฟังธรรมเขาก็จะมีปัญญาดีเขาเป็นผู้เล่าเรียนเพราะเหตุนี้แหละเป็นเพราะกรรมกรรมเป็นผู้จำแนกสัตว์ให้ดีให้ชั่วต่างกันมันเป็นเพราะกรรม พระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ดอกว่าตายแล้วศูนหรือตายแล้วเกิดอีกอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ว่าเราไม่พยากรณ์สัตว์นี้มันจะเกิดอีกหรือไม่เกิดถ้ามันยังทำกรรมอยู่มันต้องได้รับผลกรรมทำกรรมดีทำกรรมชั่วมันต้องได้รับผลตอบแทนอยู่ทำแล้ว ไม่ได้รับผลตอบแทนนั้นไม่มีคิดดูเหมือนเขายืมปัจจัยของเราไปเราก็ให้เขาจะต้องตอบแทนใช้ให้เราครั้นไม่ใช้ให้ก็ต้องเป็นท้อยเป็นความกันละได้รับความเดือดร้อนเขาก็ต้องตอบแทนคิดดูเหมือนพวกเราเห็นกันถามกันตอบแทนกัน ทำดีก็ตอบแทนกันอยู่อย่างนั้นผลร้ายก็ตอบแทนกันให้ได้รับความลำบากอยู่อย่างนั้นถ้ารักษาศีลดีแล้วเมื่ออบรมสมาธิเข้ามันจะมีความสงบมันลงเร็วถ้ามันขัดข้องก็หมายว่าศีนของเราข้อใดข้อหนึ่งผิดพลาดไปมันจึงขัดข้องไม่ลงถ้าศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้ว เหมือนกับเขาจะปลูกบ้านช่องเขาจะปรับพื้นที่เสียก่อนชั้นใดก็ดีสินพวกเรารักษาดีแล้วก็เหมือนปรับพื้นที่จนไม่มีหลักไม่มีต่ออะไรแล้วปลูกบ้านมันก็ได้ดีไม่มีความเดือดร้อนจิตมันก็ไม่มีความเดือดร้อนมันก็สงบอยู่จะลงอยู่เพราะมันเย็น มันลาปลื้นไม่มีสิ่งลุ่มดอนพากันทำไปอุตสาห์ทำไปอิริยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนพระพุทธเจ้าไม่ห้ามแล้วก็ไม่ใช่เป็นของหนักของลำบากนึกเอาแต่ในใจจะทำอะไรก็ตามแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่จริตของเรา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 ลนรสสัมผัสความถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างมันไปจดจ่ออยู่นั่นจิตมันจึงไม่ลงพวกนี้เรียกว่านิวรเรียกว่าเป็นมานจึงว่าให้มีสติอย่าให้มันไปกลุ่มไว้ให้มันอยู่กับที่นี้ให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระสงฆ์เป็นอารมณ์ พุทโธธรรมโมสังโฆก็ตามหรือจะเอาอัติอัติกระดูกระดูกก็ตามให้นึกอยู่อย่างนั้นยืนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามเอามันอยู่อย่างนั้นแหละหลับไปแล้วก็แล้วไปอุสาหะมันก็เป็นของไม่เหน็ดเหนื่อย พระพุทธเจ้าก็ว่าไว้อยู่ผู้ที่ภาวนาจิตสงบลงแม้ชั่วเวลาช้างพับหูงูแลบลิ้นอันนี้สงอักโขอักขังทำไปมันมีสามสมาธิคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอปปนาสมาธิคณิกะสมาธินี่เราบริกรรมไปบริกรรมไป ว่าพุทโธก็ตามอะไรก็ตามรู้สึกว่าสบายๆเข้าไปสักหน่อยจิตสงบเข้าไปสักหน่อยถอนขึ้นมาก็กลับเป็นอารมณ์ของเก่ามันนี่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิลงไปนานๆสักหน่อยถอนขึ้นมาอีกไปสู่อารมณ์อีกภาวนาไปๆมาๆ อย่าหยุดอย่ายอนแล้วมันก็จะค่อยเป็นไปเองทําไปทําไปจะให้มันเสียผลมันไม่เสียต้องทําไปเป็นก็ไม่ว่าไม่เป็นก็ไม่ว่าแล้วแต่อย่าไปนึกว่าเมื่อไหร่มันจะลงจิตนี่อย่าไปนึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําความเพียรเราทําเพื่อจะเอาเนื้อ เลือดและชีวิตจิตใจถวายบูชาพระพุทธเจ้าถวายบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ต่างหากความอยากนี่ให้มันเข้าใจไว้ว่านั่นแหละคือหน้าตาของตัณหาอยากให้มันเป็นอยากให้มันลงเร็วๆอันนั้นแหละมันตัวร้ายละ่ะหน้าดำละ่ะความอยากของมันมืดละ่ะ ให้ตั้งใจไว้เจ ต, ตนาไว้ว่าไม่เป็นก็ไม่ว่าจะเอาเลือดเนื้อชีวิตจิตใจถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เจ้าตลอดวันตายอย่างนี้ได้ชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทาอยากมันก็เป็นตัญหาเสียยืนกว่างหน้าเสียยิ่งไม่ลงละเอาละ ให้พากันทำไป